ความเป็นอยู่ของเราเนี่ยความเป็นอยู่ของพวกเราหลักใจเป็นเรื่องสำคัญหลักใจเป็นเรื่องสำคัญนะหลักใจคือการภาวนานวันคืนล่วงไปถ้าเรามองข้ามตรงนี้แล้วเนี่ยราวังห้เดียจะขาดทุนนะ เราต้องมองเห็นหลักใจเรื่องของหลักใจในภายใน เ, นเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวสำหรับทุกๆคนคือหน้าที่ของเราหนะหน้าที่รักษาศีลหน้าที่ปฏิบัติธรรมการตั้งใจรักษาศีลการตั้งใจปฏิบัติเกี่ยวกับศีลที่เราต้องรับผิดชอบดูแลตัวเองกิริยาทางกายกิริยาทา ง, ทางวาจาและกิริยาทางใจ อันนี้ก็เป็นหลักใจอันหนึ่งเรื่องของหลักกองศีลเนี่ยก็เป็นเรื่องหลักใจอันหนึ่งหลักของสมาธิหลักของปัญญาซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะต้องมาศึกษาจะต้องมาใคร่ครวญเพื่อเอามาปกป้องมาปกป้องคุ้มครองรักษากายของเรารักษาวาจารเรารักษาใจของเรา เพราะหลักใจศีลสมาธิปัญญานี้เป็นเครื่องชำระขัดเกลวใจของเราเป็นเครื่องมาผูกมัดใจของเราให้ใจของเราอยู่กับหลักของศีลของสมาธิของปัญญาเราจะมองข้ามหลักใจคืออะไรหลักใจคืออะไรมองข้ามมองข้ามศีลมองข้ามสมาธิมองข้ามปัญญาแล้วก็ไม่มีหลักใจยึด มองไปดูรอบด้านของตัวเราเราดูอะไรมีอะไรเป็นที่ยึดมีอะไรเป็นที่พึ่งมีอะไรเป็นที่เกาะถ้าเรามองข้ามหลักของศีลของสมาธิของปัญญาแล้วมันจะมองเห็นว่าสิ่งนั้นดีเป็นที่ยึดเป็นที่เกาะสิ่งนี้ดีเป็นที่ยึดเป็นที่เกาะคือสิ่งที่กิเลมันเสริมเข้ามาเนี่ยแหละให้เรามองเห็นเป็นเรื่องสําคัญว่าเป็นเรื่องควร ติดเป็นเรื่องควรยึดเป็นเรื่องควรควรเกาะมองข้ามหลักศีลหลักสมาธิหลักปัญญาไปแล้ววันคืนลงไปเรามองเห็นอันนี้หลยเป็นงานของเราเป็นเรื่องใหญ่การตั้งใจภาวนาเนั่นแหละการตั้งใจภาวนาเป็นงานหลักตั้งใจภาวนาเมื่อไหร่ ก็เป็นการชำระขัดเกลาวใจของเราเมือนนั้นมองเห็นกายมองเห็นใจของตัวเองมองเห็นกายก็คือมีสติกำกับกายมองเห็นใจก็คือมีสติกำกับใจเพราะสติตัวนี้เป็นเครื่องมาปิดมากัน้นเป็นเครื่องกระตุน้น เตือนให้จิตของเราเนี่ยตื่นอยู่ตลอดเวลาไม่หลับไม่จมเลยคับสิ่งที่พายเราลุ่มหลงคําว่าหลับก็คือหลับไปกับสิ่งที่พายเราลุ่มหลงคือตัวความหลงอาศัยสติอา ศ, า ศ, าศาัยสัมปชัญญะ เ, เป็นเครื่องปลุกให้ตื่นปลุกกายให้ตื่นปลุกจิตให้ตื่นก็คือปลุกจิตนั่นแหละเมื่อปลุกจิตให้ตื่นแล้วกายเราก็ตื่นตื่นคือรู้สึกตัว รู้สึกตัวจากความลุ่มหลงรู้สึกตัวจากความเพลิดเพลินรู้สึกตัวจากความขี้เกียจที่คร้านมักง่ายรู้สึกตัวจากความชั่วหยาบของกิเลส ท, ทั้งหลายทั้งปวงที่มันแทรกเข้ามาที่ใจอาศัยสติอา ศ, ายอาศาัยสัพจัญญะเป็นเรื่องปลุกให้ตื่นตื่นที่ไหนดูมาที่ใจของเราเหมือนอย่างที่เราฟังอยู่ตอนนี้มันตื่นยังไงมันตื่นตรงไหนกาหนดมาที่ กายของเราก็มาที่ใจของเราให้มันได้เห็นความแนบแน่นในหัว อ, อกของเรามีสติกลมกลับอยู่กับความแนบแน่นในกายของเราตรงหัว อ, อกของเราจิตของเราอยู่จิตของเราสงบเราเคยฝึกฝนอบรมมาเราเคยได้รับความสงบเราเคยได้ฝึก เราเคยได้อบรมเราเคยได้บังคับเราเคยฝึกหัดดัดแปลงจิตของเราเนี่ยให้ได้รับความสงบแนบแน่นอยู่ที่หน้าอกของเราแล้วก็กาหนดย้อนก็มาอันนี้อันนี้เป็นหลักเอาสมาธิตัวนี้แหละเป็นเครื่องมัดจิตของเราให้อยู่มัดด้วยสติมัดด้วยสัมผชัญญาถ้าเราไม่มัดเป็นไงถ้าเราไม่มัดด้วยสติด้วยสัมผชัญญะ ซึ่งเป็นเครื่องปลุกจิตให้ตื่นราวจิตให้ตื่นอยู่ตลอดเวลาแล้วจิตของเราก็จะจบจมไปกับความลุ่มหลงจมไปกับความเพลิดเพลินมันเพลินไปกับอะไรมันเพลินไปกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับสัมผัสมันเพลิดเพลินกับวัตถุที่เป็นไปในโลกนี่แหละมันส่งไปกับเรื่องรูปนั้นส่งไปกับเรื่องเสียงนี้ส่งนึกคิดไปตามเรื่องตามราวของมันไม่มีหลัก ไม่มีเชือกมัดไม่มีหลักยึดไม่มีเชือกมัดขาดสติขาดสัมผััญญ า, า ง, งั่นแหละถ้าหากเรานั่งปล่อยจิตให้ล่องลอยไปอย่างนั้นกลายเป็นจิตไม่มีเครื่องผูกไม่มีเครื่องมัดไม่มีเครื่องยึดการตั้งใจปฏิบัตินั้นเราจะพูดว่าเราไม่บังคับบัญชาตัวเองไม่ได้ปลอยไปตามเรื่องตามหลักธรรมชาติเราพูด เราโอดอย่างนั้นไม่ได้เพราะการบังคับใจก็หมายความว่าใจเรามีโทษใจเราเป็นโทษโทษคือกิเลส ท, ที่มีอยู่ในภายในนั่นแหละเราจะไม่บังคับไม่ได้เราจะต้องเอาหลักธรรมนี่แหละมาบังคับหลักธรรมก็คือศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นระเบียบซึ่งเป็นแม่บทที่เราจะต้องใคร์ครวนพิจารณา ทำให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจและดำเนินไปตามนั้นเช่นอย่างใจมันชอบดีดชอบดิ้นไปข้างนอกเนี่ยในเมื่อมันชอบดีดชอบดิบด้นไปข้างนอกเนื่องจากใจมันเพลินไปตามอำนาจของกิเลสเราจะไม่เอาหลักธรรมมาบังคับให้ใจมันอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องบังคับให้ใจอยู่เช่นอย่างเราต้องตั้งใจทำให้จิตสงบเนี่ยกาลังนั่งกาหนดให้สงบ บริกรรมพุทธโธพุทธโธพุทธโธให้ใจได้รับความสงบเนี่ยมีสติมีสัมผัสพัชัญญาพร้อมอยู่จำเพาะหน้าเนี่ยมันจะเป็นอะไรก็เป็นไปเถอะมันจะเป็นสมถะก็ตามมันจะเป็นวิปัสสนาก็ตามเราไม่ต้องไปคำนึงถึงคำพูดต่างๆเหล่านั้นเราดูมาที่ความจริงที่ใจของเราในขณะที่จิตของเราได้รับความสงบมีสติมีสัพพัญญากำกับอยู่นั่นนหะ รู้อยู่กับตัวรู้สว่างสวายโร่อยู่เนี่ยมันจะเป็นอะไรก็ให้มันเป็นอันนี้แหละคือหลักใจที่เราจะทำจิตให้ได้รับความสงบเราไม่ต้องไปวินิจฉัยใครควรวะนี่คืออะไรนี่คืออะไรขอให้จิตเราอยู่กับจุดจุดเดียวได้รับความสงบอยู่กับจุดจุดเดียวเนี่ยมันเชื่องอยู่กับอารมณ์เดียวที่เราผูกอยู่ที่เรามัดอยู่คือเอาสติมัดอยู่เอาสัมผััญญมัดอยู่ ม, มัดคาว่ามัดก็คือ กิริยาคำพูดท่านเองแท้จริงก็คือเรากำหนดสติมีสัมพชัญญากำกับอยู่เนี่ยจิตของเราก็สงบอยูอ่มีความรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับกายนี้มีความรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับจิตนี้ได้รับความสงบอันนี้ก็เป็นหลักใจเป็นหลักใจอันหนึ่งมีสติสัมพชัญญากำกับอยู่จิตตื่นอยู่จิตรู้อยู่รู้อยู่กับอารมณ์อัเดียวที่เราทำได้สงบ เรากำหนดภาวนาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธจิตของเราก็ดำริอยู่กับคําว่าพุโทโธคําดำริแต่ละครั้งแต่ละครั้งมันเป็นการทํางานถ้าหากเราไม่ดำริถ้าหากเราไม่ตั้งใจไม่เจตนาดำริกิเลกสก็แทรกเข้ามากิเลกสก็แทรกเข้ามาอาศัยเจตนาน้นนี้แหละนะดึงมายึดดึงมาผูกดึงมามัด เท่ากับว่าเรามาบีดเท่ากับเราบังคับให้จิตมันอยู่มัดให้จิตมันอยู่นะเนี่ยเราต้องเอาเอาหลักหลักของสมาธินี่แหละหลักของปัญญามามัดจิตให้เป็นไปตามนั้นแล้วจะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติแล้วเราก็าวิ่งเดินตามรู้ทันอืมปล่อยท้าล่องลอยไปนมันไม่ทันมันแหละมันไม่ทันมันดอกปล่อย ปลอยจิตให้แล้วแต่กิริยาจิตจะแสดงไปแบบไหนลักษณะไหนก็ตามปล่อยให้กิเลสเข้ามาแทรกในจิตเสร็จแล้วเราก็ค่อยมารู้ตามพอเรารู้ตามท่านเรียกว่าตามรู้จิตอนนั้นถ้าเผื่อเรากําหนดจิตให้ได้รับความสงบจิตมีสมาธิแล้วมีขุมพลังที่จะสามารถดึงดูดจิตมีอาหารของจิตเพราะจิตที่บังคับด้วยสติด้วยสัพพัญญา ให้ได้รับความสงบอยู่นั้นมันแนกมันแน่นมันผาสุกมันมีความสุขมันมีความเอิบอิ่มมันมีความสุขอยู่ในภายในมันมีความอิ่มเอิบอิ่มที่เรียกว่าปีติดมีความอิ่มใจความอิ่มใจนี่มันเป็นความสบายใจมันเป็นความสะดวกใจมันเป็นความสบายใจมันเป็นความอิ่มใจอิ่มกาย เพราะความสงบอันนี้เป็นอาหารของใจพุทโธพุทโธพุทโธที่เราบริกรรมเข้าไปเมือ่อเราป้อนอาหารเข้าไปเขาก็รับทานอาหารไปมากๆเหมือนกขาว่ารับทานอาหารมากๆมากรับมากไปท้าใดก็ใกล้อิ่มไปเท่านั้นรับไปรับไปรับไปในทีสุดเราก็อิ่มคืออิ่มอารมณ์ไอ้ที่เราดำดิบว่าพุทโธพุทโธพุทโ ธ, ธ, ธนี่ก็คือการเอาสติสัพพัญญะมากํากับที่จิต เป็นการป้อนอาหารของจิตที่เขาเรียกว่าอารมณ์ให้จิตมาอยู่กับอารมณ์มันเดียนพอเราป้อนไปป้อนไปป้อนไปป้อนไประยะแรกมันก็หัดอยู่บ้างแล้ก็ไปบ้างอยู่บ้างก็ไปบ้างอยู่บ้างก็ไปบ้างไปเนี่ยพอเราลืกรู้ทันเราก็ตามมาเหมือนกับว่าเราตามเราใช้คำว่าตามพอมันหลุดไปเราก็ตามกลับมาหลุดไปก็ตามกลับมา ทั้งหมดนี้มันเป็นคําพูดเท่านั้นแหละเราจะพูดลักษณะไหนแง่ไหนก็คือคําพูดเท่านั้นแหละแต่เราดูมาที่ความจริงที่ใจของเราเนี่ยพอมันไม่อยู่มันนึกไปนู้นนึกไปเรื่องนู้นจิตมันยังติดอยู่ติตใจอยู่กับเรื่องนู้นติดใจอยู่กับเรื่องนี้เรื่องสัญญาอารมณ์ที่มันล่วงไปแล้วนั่นแหละแวบไปนู้นแวบไปนี้นั่นคือมันไม่อยู่ล่ะมันไม่อยู่ เรารู้ท่านเราก็ดึงมาทําใหม่เราจะไม่บังคับไม่ได้เราจะต้องดูเหมือนกับ ว, ว่าเราจ้องดอูมันจะโผล่ออกไปไหมมันจะโผล่ออกไปเราก็จ้องดูพอล่ปุ๊บเราก็รู้ปั๊บถ้าเราไม่ตั้งใจกําหนดจดจ่อดูไม่ตั้งใจบังคับให้มันอยู่ <c oughs> ก็เหมือนกับว่าเราปล่อยงานเราไม่ทํางานเราปล่อยงานเราไม่ทำงานในเมื่อเราตั้งใจกําหนดจดจอด่ออยู่ โดยเอาหลักธรรมที่พุทธเจ้าท่านส่งอบรมไว้นี่แหละมาจาะ อ, อยู่กับอยู่ในที่สุดในที่สุดจิตก็ได้รับความสงบจนได้จิตมันไม่อยู่เนื่องจากว่ามันหิวอารมณ์ข้างนอกหิวเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรสารพัดที่มันรุกไปเรานมันเพลินไปกับโลกนั่นแหละพอเราบังคับให้อยู่แลจิตของเราก็แนบแน่นอยู่อยู่ที่กายของเรามีความรู้ตัวทั่วพร้อมกายพร้อมจิตอันนี้ สงบอยู่เฉพาะกายนี้สงบอยู่เฉพาะจิตเนี่ยจิตได้รับความสงบจิตสงบก็คือกิเลสสงบกิเลสมันไม่ดึงจิตให้ไปนึกไปคิดตามเรื่องของมันจิตก็อยู่กับบทธรรมบทธรรมก็คือพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธก็สงบเนือเมื่อเขาอิ่มเขาก็ไม่ว่าเขาไม่ว่าหมายว่าเขาหยุดเขาหยุดบริโภคอาหารแต่สติสัพพัญญะกำกับอยู่พร้อมอยู่รู้ว่าเขาอยู่อยู่เฉพาะ รู้อยู่รู้รู้อยู่เฉพาะจิตสงบอยู่เฉพาะจิตโดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอารมณ์แม้แต่คําว่าพุดโธพุทโธพุดโธก็อิ่มแล้วถึงเราจะบริกรรมหรือไม่บริกรรมจิตก็อยู่อยู่คือสงบอยู่กับที่ไม่ดีดไม่ดิดน้นไปนู้นไปนี่นี่คือความสงบจะสงบมากสงบน้อยสงบนานสงบ แนบแน่แนเย็นอกเย็นใจอยู่นานเท่าไหร่ก็ตามแล้วก็ปล่อยสงบเพราะจิตเริ่มสงบจิตก็เริ่มมีความโดดเด็ดในตัวเองหลักสัจธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่จิตจะไปเกี่ยวข้องจิตก็เริ่มจะรับทราบรับ ร, บรู้ไดรวดเร็วได้ไวหลักสัจธรรมของจิตเอหลักสัจธรรมของกายเออเนี่ยพอเราย้อนมาปั๊บ มันก็เข้ามาอยู่กับหลักสีลธรรมคือความจริงของกายความจริงของจิตคือจิตได้รับความสงบความสงบนี้มันเป็นขุมพลังของจิตเพราะในความสงบนั้นมันประกอบไปด้วยสติมันประกอบไปด้วยสัมผััญญาซึ่งเป็นเครื่องมือซึ่งเป็นคู่มือซึ่งเป็นกําลังซึ่งเป็นขุมพลังที่เราจะมากําหนดจดจ่อที่กายของเราให้รู้ความเป็นไปของกายของเรา มากำหนดที่จิตของเราให้รู้ความเป็นไปของจิตทาให้จิตของเราเนี่ยได้รับความรู้ได้รับความเข้าใจได้รับความขัดเกล่าป้อนความรู้ป้อนความเข้าใจป้อนความขัดเกล่าเข้าไปเรื่อยๆนี่เป็นการฝึกฝนจิตให้จิตได้หลักได้เกณียอยู่กับความสงบความสงบอย่างเดียวนี่มันเป็นอาหารมากํากับจิตให้จิตดูดดื่มให้จิตเ อ, อบิบอิ่ม จิตก็อยู่เย็นเป็นสุขเป็นผาสุขเวลาเราเร่าร้อนเ้านอกเราก็หลบมาข้างในลบมาที่ความสงบเป็นวิหารธรรมสงบส่วนหน่อยจิตไม่โดดดิ้นก็คือการไม่สร้างกิเลสเพิ่มการไม่สร้างกิเลสเพิ่มทําให้กิเลสของเรานี่คงที่แล้วก็ทําให้ใจของเรานี่ก็อ่อนน้อมเข้ามาโดยธรรมเนื่องจากว่าถูกบังคับโดยธรรมให้ได้รับความสงบ พอเราทำทุกครั้งทำบ่อยครั้งเข้าทำเป็นอาจินอาวันคืนเดือนปีล่วงไปเท่าไหร่เราก็ทำอยู่อย่างเนี้ยเป็นการบีบเป็นการบังคับเป็นการฝึกหัดเป็นการขัดกล้าวจิตของเราเนีให้มีความรู้ให้มีความเข้าใจทีจ่ได้รับความสงบเมื่อได้รับความสงบแล้วท่านให้เอาความสงบนี่แหละซึ่งเป็นขุมพลังนี่แหละมาพิจรารณาพอเราพิจรารณาเราเดินไปได้ การที่จิตเราสงบนั้นเหมือนกับว่าเรายืนอยู่กับที่เรายืนอยู่กับที่แล้วเร า, เราค่อยก้าวไปการก้าวไปก็คือการพิจารณาทางด้านปัญญาพิจารณาทางด้านปัญญาก็คือมาพิจารณาเรื่องกายนี่แหละเราติดกายเนื <c oughs> ่องจากว่าเราไม่รู้กายเราไม่เข้าใจกายเราติดเวทนาเนื่องจากว่าเราไม่รู้เวทนาเราไม่เข้าใจเวทนาเราติดจิต เนื่องจากว่าเราไม่เข้าใจจิตเราไม่รู้จิตเราไม่ทันจิตเราไม่เข้าใจจิตพิจารณา ร, รมแล้วแต่เราจะเลือกมาพิจารณาบทใดบทหนึ่งในการทำงานเขาจะมีการประสม ะ, ะสานกันไปโดยโดยอัตโนมัติไม่ใช่ว่าจะดูกายก็มีแต่กายอย่างเดียวไม่มีจิตก็อเอาจิตแล้วมาดูกายมาพิจารณากาย เมืสงบแล้วักก็สงบอยู่กับความรู้เกี่ยวกับเรื่องกายมีความสงบอยู่เ ก, กับความรู้เรื่องกายพิจารณาไปพิจารณาไปในกายนั้นก็มีเวทนาเราดูเข้าไ ป, ด, ไปดูไปที่เวทนาของกายก็เอาอะไรไปดูเอาจิตนี่แหละไปดูจิตไม่ได้ไปไหนเอาจิตนี่เรามาทํางานเอาปัญญาที่เป็นสติ <c oughs> ที่เป็นสัมพชัญญาทํางานภ <c oughs> าษาภาษาไปด้วยกันอันนี้กลายเป็นปัญญาเหมือนแสงเทียนสว่างโร่ อาศัยสมาธิคือความสงบที่เราฝึกฝนอบรมมาจนแนบแน่แ น, นในหัวใจของเราเนี่ยมาเป็นเครื่องชูมาเป็นเครื่องพยุงมาเป็นเครื่องสอง่งให้จิตเราอยู่กับที่พิจารณากายกา ย, ยานุปัสสนาพิจารณาเวทนาเวท น, นานุปัสสนาเวทนากายก็มีร่างกายเป็นสุขท้าเรียกว่าสุขเวทนาร่างกายเป็นทุกข์ท่านเรียกว่าทุกขเวทนา เราหย่อนมาดูเวทนาก็ได้เวทนากายก็ได้เวทนาใจก็ได้เวทนากายก็ได้เวทนาใจก็ได้แต่โดยปกติของใจนั่นใจที่มีกิเลสโดดเด่นดิ้นไปเนี่ยเราตามรู้มันเราก็ตามรู้สุขเขเวทนาที่ท้าเรียกว่าโสมนัสเเวทนาเวลาจิตยินดีพอใจกับสิ่งนู้นสิ่งนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้บางทีไปก็ไปกระทบไป ประสบกับสิ่งที่ไม่ดีจิตใจก็ได้รับความไม่พอใจเป็นโทมนัสเวทนาซาบาลีตั้เรียกว่าโทมนัสเวทนาก็ตามดูจิตยินดีตามดูจิตไม่ยินดีนึกยินดีก็คือสุขเวทนาไม่ยินดีก็คือทุกขเวทนายินดีก็คือโสมนัสเวทนาไม่ยินดีก็คือโทมนัสเวทนานีไ่ไง ม, มันไม่ไปไหนมันเกี่ยวข้องกันหมด ทั้งเรื่องกายทั้งเรื่องใจมีเป็นเรื่องละเอียดบางคนก็มีจริญนิสัยละเอียดเข้าไปอีกพิจรารณาเกี่ยวกับเรื่องธรรมะที่เราเรียกว่าสติปัฏฐานทั้งสี่กายเวทนาจิตธรรมแต่ในขณะที่เราทํางานอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งทั้งหมดนี้ก็ประสมประสานกันเป็นอันเดียวกันเพราะฉะนั้นใครถูกกับจริญนิสัยอันใดเราก็พิจรารณาอันนั้นพิจารณาเพื่ออะไรพิจารณาเพื่อให้เห็นกายสักแต่ว่าเป็นกาย ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเขาร่างกายของเราก็ตามร่างกายของท่านก็ตามร่างกายของสัตว์สาวาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็ตามมันมีที่มามันมีที่มามันมีที่อยู่มันมีที่เป็นมันมีที่ไปเจริะให้รู victim, ้ความเป็นมาของกายนี้ให้รู้ความเป็นมาให้รู้ความตั้งอยู่ของกายนี้และให้รู้คติความเป็นไปของกายอันนี้ให้รู้ความจริงของมัน ทำไมถึงต้องพิจารณาให้รู้ความจริงของมันก็เพราะเราลุ่มหลงกายเรายึดกายว่ากายนี้เป็นกายเราว่าเป็นของของเราอะไรเป็นตัวยึดจิตเป็นตัวยึดยึดกายนี้ว่ากายนี้เป็นของเราเป็นเราเป็นของของเราทั้งๆที่กายก็เป็นภาวะอันหนึ่งจิตก็เป็นภาวะอันหนึ่งกายเป็นรูปธรรมจิตเป็นนามธรรมแต่ทําไมจิตถึงยึดกายนี้ว่าเป็นกายเราว่าเป็นของของเรา เราย้อนดูกายของเราเนี่ยเหตุปัจจัยของกายมาจากไหนเราดูเหตุปัจจัยหยับหยับซะก่อนอดูธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟในร่างกายของเราที่เราได้มาต้นต่อสาเหตุแท้ๆได้มาจากไหนก็ได้มาจากพ่อได้มาจากแม่พ่อกับแม่ผสมธาติกันทําให้เราเกิดในท้องแม่นพ่อกับแม่เอาธาตุดินธาต้น้ำธาตุลมธาตุไฟนั่นแหละมาผสมกัน มาผสมกันได้สัตว์ได้ส่วนทําให้มีการถือปฏิสนธิเราเกิดในท้องแม่เห็นไหมเป็นเหตุให้สังขาร น, นับตั้งแต่สองขึ้นไปเหมือนกับธาตุหนึ่งของพ่อธาตุหนึ่งของแม่พอผสมกันปั๊บสังขารต่างๆเหล่านั้นก็จะทํางานเป็ น, นกลไกทุกระยะมาโดยลําดับเราจะเห็นว่าการกําเนิดของเราเนี่เราเกิดจากท้องแม่เกิดในท้องแม่ าอาศัยธาตุของพ่อกับธาตุของแม่ผสมกันเราก็เจร promote, ิญเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเห็นไหมมันไม่อยู่คงที่การไม่อยู่คงที่นั่นแหละมันเป็นหลักอันหนึ่งมันเป็นธรรมชาติอันหนึง่งที่สังขารสังขารหนึ่งบวกกับอีกสังขารหนึ่งแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองมาเรื่อยๆไม่มีอะไรคงที่ไม่มีความคงที่เปลี่ยนมาเรื่อยเปลี่ยนมาเรื่อยๆจากน้ําก็มาเป็นก้อนเลือด มาเป็นก้อนเนื้อมาเป็นปัญจัสาขามีหัวมีแขนสองมีขาสองมีลำตัวมาเป็นรูปเป็นร่างพอครบอายุพอครบอายุไขเจ็ดเดือนแปดเดือนหรือเก้าเดือนแล้วก็คลอดออกมาเมื่อก่อนนั้นอยู่ข้างในอยู่ข้างในธาตุต่างต่างเหล่านั้นก็อาศัยดูดดื่มเอาธาตุของแม่นั่นแหละแม่รับทานอาหารอะไรเข้าไป ล, ลูกอยู่ในท้อง ก็ดูดมาหล่อเลี้ยงตัวเองอาศัยว่าธาตุดินธาต้น้ำธาตุลมธาตุไฟก็าอาศัยจากแม่แม่ก็เอามาจากไหนแม่ก็เอามาจากโครงสร้างดั้งเดิมของแม่นั่นแหละซึ่งก่อร่างสร้างตัวมาจากพ่อกับแม่ของของแม่นั่นแหละทีนี้พอออกมาข้างนอกก็ใส่สิ่งที่เป็นอาหารเข้าไปเช่นข้าวปลาอาหารบริโภคเข้าไป ก็ได้นั่นแหลมาเลี้ยงตัวเองแล้วก็มาเลี้ยงลูกในที่สุดก็คลอดออกมาพอเราเคลอดออกมาแล้วสายอาหารก็ถูกตัดออกมาให้เราเป็นตัวของตัวเห็นไหมให้เราเป็นตัวของตัวเราเป็นทารกแม่ก็ต้องป้อนข้าวป้อนน้ําเห็นไหมเพราะข้าวกับน้ำนี่เป็นอาหารส่วนหนึ่งเป็นธาตุส่วนหนึ่งอที่จะเอาไปทดแทนธาตุภายในที่มันเสื่อมไปมันสิ้นไปเนื่องจากว่ามันทํางานทุกระยะทุกเวลานาที เรามองมองย้อนไปอย่างนี้เราจะเห็นความเป็นมาของรูปของเราของกายของเราร่างกายของเราเกิดยังไงอยู่ยังไงเป็นยังไงจะไปยังไงให้เราดูให้รู้ให้เห็นไม่งั้นเราก็ยึดเราก็ถือว่ากายนี้ดิบ ด, ดีวิเศษวิโสตระกูลสูงสูงสักเราไม่รู้ว่าเป็นธาตุดินว่าเป็นธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมีการหลงเลยหลงยึดหลงถือ เลยเป็นบ่อของรังเป็นรังของกิเลสมาผูกรักมัดรัดถึงทั้งกายมาผูกมัดรัดถึงทั้งจิตของเราเนื่งองจากเราเราไม่ได้นึกมาได้คิดไม่ได้พิจารณาหลักสภาวธรรมมาชาติที่แท้จริงเราไม่เคยยังถึงไม่เคยกําหนดรู้ไม่เคยพิจารณาไม่เคยเจริญตามหลักธรรมทีท่ท่านบอกว่าท่านสอนไว้เราก็อยู่หมกอยู่กับความลุ่มหลง หลงว่ากายนี้เป็นเราว่ากายนี้เป็นของของเรายึดหลงยึดธาตุจีดินน้ำลมไฟนี่แหละเป็นเราเป็นเราว่าเป็นของของเราท่านให้พิจารณากายเพื่อให้เรารู้ตามความเป็นจริงว่ากายนี้สัตว์ ก, กายประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุ ad, น้ำธาตุ ad, ลมธาตุ ad, ไฟไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไ, ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอาศัยสติอาศัยสัมปชัญญะอาศัยปัญญาพิจรารณาให้เกิดความรู้ใเกิดความเข้าใจเพื่อทำลาย คลายความยึดคลายความติดติดมั่นในกายเราพิจารณาให้เกิดความรุ่มหลยให้เกิดความเบื่อหน่ายยังไม่เห็นแจ่มแจ้งในธาตว่าเป็นหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาก็พิจารณาเห็นว่าเป็นขอกปฏิกูลเป็นของโสโครกเป็นของน้าพึงรังเกียจแท้ที่จริงมันก็เป็นอย่างนั้นเรามาดูในภายในกายของเรามีแต่สิ่งพึงรังเกียจทั้งนั้น ดูเข้าไปตับไตไส้ปลอดอะไรข้างในแล้วดูเราดูกลิ่นที่เขาออกมาทาั้งทวารทั้งก้าอนะทะวารหูสองทวารจมูกสองตาสองเห็นไหมเป็นหกแล้วนะ่ะปากหนึ่งเป็นเจนะ็ดทวารหนักหนึ่งเป็นแปดทวารเบาหนึ่งเป็นเก้านี่เป็นช่องที่เขาเปิดช่องไว้สำหรับทำประโยชน์ให้กับกายอันนี้อย่างนั้นแล้วสิ่งสกรปรก สามารถแทรกเข้ามาทางขุมขนของเราไงเห็นไหมเป็นลังเหงื่อแตกเหงื่อก็คือน้ำในกายเนี่ยถัดน้ำในกายมันออกมาพอมันออกมาอยู่ผิวนอกอยู่ตามที่อับที่ชื้นเช่นหลักแรกบ้างอะไรบ้างมีกลิ่นสาบวันทั้งวันถ้าเราไม่อาบน้ำเราให้ล่วงไปให้หมักหมมไปมีแต่กลิ่นสาบมีขี้ตามีขี้โมกน้าโมก มีกลิ่นปา ก, กลิ่นปากแต่และช่องแต่และช่องมีแต่กลิ่นที่เราพึงรังเกียจทั้งนั้นแหละดูให้เห็นร่างกายเป็นของปฏิกูลโสโครกเพราะดูให้เห็นว่าเป็นของปฏิกูลโสโครกเนี่ยทำให้เราเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายอันนี้นะเป็นปฏิปักษ์กับกิเลสคือเราเอาความจริงน่ให้กิเลสมันดูให้มันรู้ให้มันเข้าใจถ้ามันไม่รู้มันไม่เข้าใจแล้วมันก็ยึดมันก็ติดอะ มันว่าดีมันว่างามมันว่ากีรังยั่งยืนแต่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอนิจจังอ น, นิจจัง ร, ร่างกายนี้ไม่เที่ยงมันก็บอกว่านิจจังร่างกายนี้เที่ยงร่างกายนี้เป็นทุกขังเป็นทุกขังกิเลสมันบอกว่าเป็นสุขขังพระพุทธเจ้าท่านสุขบอกว่ชทุกขังอนิจจังทุกขังอนิจจังก็คือร่างกายไม่คงที่ทุกขัง มันแปรสภาพของตัวเองมาเรื่อยๆโดยลําดับอนนี้จังทุกขงังทั้งอันนี้จังทั้งทุกขังเนี่ยเราไปกําหนดไปกาไปเกณฑ์ให้มันไม่ได้มันทํางานไปตามหลักธรรมชาติตามทําตามภาวะของมันที่ท่าเรียกว่าอนัตตาเราดูในกายของเรามันเป็นอย่างนั้นมันเปลี่ยนแปลงตัวเองมาเรื่อยๆโดยลําดับเราดูทั้งนี้เราดูเพื่อให้เราเนี่ยเกิดความรู้เกิดความเข้าใจในกายเพื่อทําลายความรุ่มหลงในกายอันนี้ท่านเรียกว่าใช้ หลักธรรมะนี่แหละมาขุดมาคุยมารือ้อมาคน้นสาเหตุต้นต่อแห่งความลุ่มหลงของจิตคือมาพิจารณากายให้เกิดความรู้ในกายหล่อจะพิจารณานี้อย่างนี้เราก็ได้รับความเบือนหายเราก็สามารถเห็นความไม่เป็นกายไม่ใช่กายเห็นสัตว์แปว่าเป็นธาตุไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ของใคร ไม่ใช่อะไรทั้นนั้นเราดูยังไงเราถึงจะรู้จกเข้าใจเราจะเห็นอย่างนี้เราก็ดูไปที่หลักความจริงของกายนี่แหละดูให้เห็นความจริงของมันเลยไม่ให้สมมติบัญอยากมันเกิดขึ้นที่ใจอ่ะดูไปที่หลักความจริงให้มันปรากฏขึ้นมาเลยดูไปที่สภาวะที่เป็นรูปที่เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นเอ็นเป็นกระดูกเป็นตับไตไส้ปุงอะไรทั้งหมดที่อยู่ในกายของเราดูมาที่สันฐานเป็นไงมือสองข้างสันฐานเป็นไง หัวสันธานเป็นไงหน้าเป็นไงสันธานของหน้าตาเป็นยังไงสันธานของลําตัวเราเป็นยังไงสันธารอาวัยวะทุกส่วนในกายของเราไม่ว่าจะเป็นข้างนอกไม่ว่าจะเป็นยังไงมีลักษณะมีอาการยังไงเราดูให้รู้ให้เข้าใจสันธานของกายมันมีอยู่อย่างนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้ตามภาวะของมันเราดัดแปลงอะไรไม่ได้เท่านั้นเราดัดแปลงไม่ได้ มันเป็นอย่างนั้นให้มันเป็นอย่างนี้นนนานตามใจชอบตามใจฝังไม่ได้มันเป็นตามหลักมันเป็นตามเหตุมันเป็นตามปัจจัยของมันที่มันสะสมมาแล้วมันปรุงมาแล้วนี่คือภาวะความเป็นของกายแท้จริงกายอันนี้มันก็เป็นผลผลของใจนั่นแหละถ้าเราจะว่าไปแล้วกายก็เกิดจากใจเนื่องจากว่าใจมีกิเลสใจมีกิเลสยึดมีความยึดมั่นในภพยึดมั่นในชาต เป็นเหตุว่าใจนี้จะต้องแสวงหาที่เกิดใจมีชาติใจมีพบเมื่อใจมีพบใจก็จะต้องไปเกิดในพบการที่จะต้องไปเกิดในภพเนีตแต่และพบแต่และพบมันก็มีทั้งรูปธปรรมมันก็มีทั้งนมามธรรมใจก็เลยไปแสวงหาเหมือนอย่างใจของเราที่เราไปแสวงหาแล้วเราก็ลงไปถือปฏิสนธิในท้องแม่นั่นแหละนั่นคือไปจับจองรูปไปจับจองรูปกายนี้ ในเมื่อไปจับจองแล้วนี่จะทําให้รูปธปรรมก น, นามมาทำเ ข, เขาแยกออกจากกันแยกออกยากเขาจะต้องเป็นสมบัติของกันและกันนั่นแหละเป็นเหตุว่าเราได้รูปได้ร่างได้อะไรมาเพื่อเพื่อประโยชน์ใช้สอยในความเป็นอยู่นี่แหละแท้จริงมันก็เกิดจากอํานาจของกิเลสที่มีอยู่ภายในใจถ้าใจไม่มีกิเลสแล้วใจนั้นก็หมดพบหมดชาติหมดการไปจับจองตัวตนเนื่องจากว่า พวกเรายังมีพวกยังมีชาติยังมีกิเลสเราถึงมาจับจองพบมาจับจองชาติเราดูอย่างนี้แหละดูสับไปดูสับมาดูสับมาดูสับไปดูความเป็นไปของกายเอาอะไรดูก็เอาใจนี่แหละดูเอาสุติในใจนี่แหละดูเอาสัพพัญญะในใจนี่แหละดูสติก็เกิดจากใจสัมพพัญญะก็เกิดจากใจปัญญาก็เกิดจากใจเกิดที่ใจพิจารณากายนี่แหละที่เกิดความรู้ให้เกิดความเข้าใจ เมื่อรู้ตามภาวะความเป็นจริงแล้วกายก็สักตะว่ากายอย่างที่ท่านว่ากายก็สักตะว่ากายไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราตรงไหนเป็นเราเราดูไปเราดูไม่ออกอะเราตรงไหนไม่มีเราดูไปก็เห็นแต่ธาตุที่ท่านสมมุติว่าเป็นธาตุดินแข็งๆเขาเป็นธาตุดินเอ อ, อาบซึมเศร้าเขเป็นธาตุน้ํามีความอบอุ่นธาตุไฟแล้วหายใจเข้าหายใจออก เป็นการปลนครื้กายให้มีอยู่ได้เป็นอยู่ได้ตามกฎตามระบบตามระเบียบของกายอันนี้ที่มันจะทรงตัวอยู่ได้เป็นเราเป็นท่านเรามองไปเราก็เราก็เห็นแต่อันนี้หนึ่งคือภาวะของกายถ้าเรายังเห็นหลักธรรมชาติต่างกล่าวอย่างนี้ชาติจเจนหมดความยึดมัน่นถือมันในกายมันก็ไม่มีทิฏฐิเห็นว่ากายนี้เป็นกายแลย้วที่ท่านเรียกว่า ส ก, กายทิฏฐิสั ก, กายทิฏฐิเนี่ยเราเข้าใจเรื่องกายแล้วว่ากายนี่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราเกิดจากดินจากน้ําจากลมจากไฟเกิดจากธาตุทั้งหลายทั้งปวงที่มาเกาะกลุ่มมาเกี่ยวข้องกันมาเกิดเป็นระบบเกิดเป็นระเบียบต่างๆซึ่งเราไม่สามารถจะทําได้ระบบระเบียบภายในร่างกายตัวเราเราทําไม่ได้มันเกิดขึ้นมาตามภาวะตามธรรมชาติของมันมันเป็นอยู่ตามภาวะตามธรรมชาติของมันแล้วมันจะไปทําคติของมัน กติของกายก็คืออะไระเสื่อมไปสิ้นไปที่เรียกว่าอันนีจังทุกข์เราไปบังคับบัญชาให้มันอยู่ในกฎในเกณฑ์ของเราไม่ได้เป็นลักษณะของอนัตตานี่คือรูปเรารู้เข้าใจดูให้ตลอดย้ำไปย้ำมาดูให้ละเอียดดูให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจหมดความสงสัยหมดความสําคัญว่ากายนี้เป็นเราเป็นของของเราที่ทเรียกว่าละสะกายทิฐิได้ ถ้าเราไม่พิจรารณาไม่รือ้อไม่ขุดไม่คุยไม่ค้นอย่างนี้นี่ยทำไมเราจะเข้าใจในเมื่อมันไม่เข้าใจเราก็สงสัยอยู่นั่นแหละที่ท่านเรียกว่าหมดความสงสัยหมดความสงสัยก็เนื่องเจากวว่าเรามามารือ้อมาคน้นมาพลิกมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนความนึกเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความสําคัญเปลี่ยนความเข้าใจว่าเป็นเราเป็นของของเราให้เห็นศัก์แต่ว่าเป็นธรรมชาติตามภาวะของมันของมัน เราดูให้เห็นยังเข้าไปในหลักความเป็นจริงของมันเลยโดยที่ไม่ให้สับบัญญัติเกิดขึ้นก็ได้ดูไปที่ไอ้ก้อนแข็งๆเนะี่ยก้อนที่เหลวๆภาวะที่อุ่นๆเป็นธาตุไฟภาวะที่หายใจเข้าหายใจออกคืออะไรคืออะไรก็คืออันนั้นน่ะเอาจิตไปกำหนดจดจอ่จอจับหนึบลงไปเลยนี่คือภาว ะ, าวะธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ของมันมันอยู่อย่างนี้ของมันและมันก็จะเป็นไปตามคติของมัน ส ต, ติของมันคือมันเป็นไปตามอายุไข่ห้าสิปีหกสิบปีเจ็ดสิบปีแปดสิบปีเก้าสิบปีอย่างมากสุดก็ร้อยปีร้อยยสิบปีกายนี้มันก็หมดสภาพมันเสื่อมไปมันสิ้นไปมันหมดสภาพถ้าเที่ว่าหมดอายุอายุไขมีแค่ไหนมันก็เป็นไปตามนั้นร่างกายนี้ก็เป็นไปตามนั้นดูให้ทะลุแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นี่ภาวะของกายพูดโดยรวมแต่ถ้าเราพูดตามหลักมาร์ชิติปทานแล้วท่านจะแยกแยกเป็น เป็นหมวดเป็นหมวดเป็นหมวดเป็นหมวดอันนี้เราพูดโดยรวมเพื่อให้เรามาพิจารณาอย่างไปโดยทั่วทําให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจในขั้นหนึ่งนี่คือการกายและถ้าหากเราจะดูในภาพในภาคสนามจริงๆสมมติอย่างเราเร า, เรานั่งภาวนาเนี่ยเรากำหนดพิจารณากายเรากําหนดหายใจเข้ากับหายใจออกเนีเรานั่งไปนานๆนั่งไปนานๆเนี่ย ทุกขเวทนาเกิดขึ้นมาทุกขเวทนาเกิดขึ้นเราก็มาพิจารณาเวทนาเวทนาก็อสัจทรรมเวทนากายเวทเวทนากายคือกายมีความสุขเนื่องจากว่ากายยังไม่ขัดไม่คล่องพอเรานั่งไปสักหน่อยครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยร่างกายของเราก็เจ็บปวดเจ็บปวดขึ้นมาเป็นทุกขเวทนาเราไม่พิจารณากายเราก็มาพิจารณาเวทนาเวทนาคืออะไรคือความเจ็บคือความปวดดูไปที่เวทนา ให้เห็นเนื้อแท้ของเวทนาคืออะไรเป็นอะไรเนื้อแท้ของเวทนาก็คือเวทนาเกษตรทวาเวทนาเวทนาไม่ใช่กายแต่มันเกิดมาจากกายเวทนาไม่ใช่กายกายก็ไม่ใช่เวทนาแต่ว่าเวทนามันเกิดจากกายเราดูไปให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจให้เกิดความชัดเจนขึ้นมาจนเห็นแต่ว่าเวทนาเกษตทวาเวทนา อย่างลงาุงตาท่านให้กําหนดพิจารณาให้ดูเวทนาให้ดูกายให้ดูเวทนาและให้ดูจิตแท้ที่จริงจิตก็คือเราเอามาแปลงเป็นสติมาเป็นสัมปชัญญะมาเป็นตัวปัญญาอ่ามันเป็นตัวปัญญาจิตคือผู้รู้จิตคือท่ารู้แต่ถ้าหากท่ารู้มันยังไม่บริสุทธิ์ก็นึกคิดเรื่อยเปื่อยไปตามอำนาจของความอยากความอยากนี่แหละคือตัวกิเลสที่ทําให้เราเดิน้นรนไปทุกภพทุกชาติด้วยอํานาจของความอยาก นี่คืออำนาจของตัณหากำหนดพิจารณากายแล้วก็มากำหนดพิจารณาเวทนาแล้วก็กำหนดพิจารณาที่จิตกำหนดพิจารณาจิตดูจิตแล้วก็ดูเวทนาดูเวทนาแล้วก็ดูกายดูกายแล้วก็ดูจิตใช้อะไรดูก็ใช้จิตนั่นแหละดูจิตดูจิตรู้อยู่เฉพาะจิตกำหนดดูจิตรู้อยู่เฉพาะจิตกำหนดรู้จิตกำหนดดูจิต คำว่ า, ากําหนดก็คือการจดจ่อตั้งจิตนาลงไปตามรู้ตามเห็นตามเข้าใจสิ่งที่ตามแนบแน่นไปโดยคือสุติคือสัมพัชัญญาเนี่ยแหละตามดูจิตจิตก็คือสัพพะวารู้ถ้าเราไม่ดูจิตเป็นไงจิตมันถูกกิเลแสแทรกเข้ามาเออร่างกายเจ็บปวดขึ้นมาจิตดูแล้วมันไม่ชอบใจมันไม่พอใจเนื่องจากว่ามันเจ็บมันปวดจิตไม่พอใจทําไมจิตถึงไม่พอใจ จะเนี่ยร่างกายมันเจ็บมันปวดเจะเนี่ยเรานั่งนานๆเนี่มันเจ็บมันปวดเราดูมาดูมาที่จิตจิตไม่พอใจไม่พอใจความเจ็บความปวดเพ อ, อะไรเพราะจิตมายึดเวทนาเห็นไหมเมื่อจิตยึดเวทนาจิตก็ไม่พอใจที่ทเราเรียก ว, ว่าไม่ยินดีไม่เพลินใจกลายเป็นยินร้ายอกลายเป็นยินร้ายอัตตาตัวตนมันก็โผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาที่ไหนโผล่ขึ้นมาที่จิต มันโคลงขึ้นมาว่าโอ้ยเราเจ็บโอ้ยเราปวดเขาเรียกว่าอัดตามโคลงขึ้นมาแล้วทั้งๆที่ภาวว่อันนี้มันมีข้อมันมันเป็นข้อมันเราไปบังคับบัญชาคมไปเตียนตามใจเราหวังไม่ได้แต่เรายึดใจแล้วว่าโอ้ยเราเจ็บโอ้ยเราปวดอันนี้ก็คือกิเลสมันหลอกให้เรายึดนั่นเองโดยที่เราไม่เข้าใจว่ากายคืออะไรเหตุปัจจัยของกายคืออะไรเวทนาคืออะไรเหตุปัจจัยของเวทนาคืออะไรเราไม่ทราบเราไม่เข้าใจ เพราะฉะนั้นเราจะต้องมาไล่ทําให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจเพียงแต่เรากําหนดรู้อย่างเดียวเนี่ยเหมือนกับว่าเอาสติไปกั้นเอาสติไปกั้นเฉยๆเรากําหนดรู้อย่างเดียวเนี่ยเหมือนกับว่าเราเอาสติไปกั้นเดี๋ยวมันก็โผล่เข้ามาอีกเรากั้นเดี๋ยวมันก็โผล่เข้ามาอีกเรากั้นเดี๋ยวก็โผล่เข้ามาอีกเพราะสติน่ะเป็นเครื่องกั้นกระแสกระแสคือกระแสของกิเลสกระแสของตันหา ที่มันแทรกเข้ามาที่จิตพอกิเลแสแทรกเข้ามาที่จิตเราก็เอาสตินั่นแหละไปกัน้นสติคือความระลึกได้ระลึกรู้สติคือความระลึกได้สติคืออะไรสติก็คือจิตนั่นแหละเอามาแปลงเป็นสติเป็นอาการของจิตนั่นแหละเป็นอาการของผู้รู้มาเป็นสติมาเป็นสัมผัสัญญาทําทให้เรามีความตื่นตัวโดดเด่นอยู่กับภาวะธรรมชาติในปัจจุบันในปัจจุบันทันด่วน สติมากำหนดรู้เอสติมากำหนดจับสติกำหนดรู้สติกำหนดจับถ้าสติกำหนดไม่ทันกิเลสกระแสะเข้ามาแทกเข้ามาที่จิตนั่นแหละว่าเราเจ็บว่าเราปวดว่ากายเราว่าเวทนาเรากำหนดมาที่จิตในเมื่อเรากำหนดเข้ามากระแสะมันก็หยุดที้กระแสะคือกิเลสทั้งนี้เนี่ย พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าจะตัดได้ด้วยปัญญาไม่ใช่ตัดได้ด้วยสติอาศัยสติกับสัมผัสัญญาคบเที่ยวค้นขุดคุยเพื่อให้เกิดความรู้ให้เกิดความเข้าใจโดยอาศัยหลักของปัญญาเพื่อให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจเหมือนกับว่าเรามาขุดมาคุยมาคน้นมารือ้อรื้อย้อนหน้าย้อนหลังขุดพลิกไปพลิกมาดูไปดูมา ให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจอันนี้เป็นหลักของปัญญาเพื่อให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งว่ากายนี้ก็สักถาวรกายเวทนาก็สักถาวรเวทนาจิตก็สักถาวรจิตจิตก็สักถาวรจิตก็ย้อนไปดูที่จิตไปดูที่จิตดูความโดดดิ่นจิตน่ยจิตมันโดดมันดิ่งเนื่องจากจิตไม่บริสุทธิ์จิตไม่บริสุทธิ์เพราะอะไร เพราะมันมีสิ่งเคลือบแฝงมาคือกิเลสตัณหามันแฝงมาที่จิตมันเคลือบมาที่จิตมันเกิดมาพร้อมกับจิตนั่นแหละพระพุทธเจา้าท่านทรงตรัสว่าอาวิชชาอาวิชชาคือความไม่รู้ของจิตที่มีความหลงตัวเองที่ท่าเรียกว่าอาวิชชาอาวิชชามันก็ตั้งอยู่ที่จิตกิเลสมันเกิดที่ไหนมันเกิดที่จิตมันตั้งอยู่ที่จิตทีนี้เรากําหนดตามไปตามไปเหมือนกับว่าเอาผู้รู้เนี่ยขัดเกลาผู้รู้ตัวเอง พิจารณากายสมมติเราพิจารณากายผ่านไปพิจารณาเวทนาผ่านไปเราก็พิจารณาจิตกิเลสทั้งหลายทั้งปวงมันก็ละเอียดอยู่ภายในจิตเราก็ตามอยู่เฉพาะจิตตามดูเฉพาะจิตตามพิจารณาเอาสติเอาสัมปชัญญะกำหนดพิจารณาจดจ่อดูขณะของจิตขณะเกิดขึ้นขณะตั้งอยู่ขณะดับไปเพื่อให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจในความเป็นไปของจิตเนี่ยการตั้งอกตั้งใจภาวนา มันจะต้องมาตรงนี้และการที่เรามาตรงนี้มันตมาเข้าในหลักอริยสัจเข้าหลักอริยสัจอริยสัจคือทุกสมุทัยนี่รอดมากทุกควรกำหนดรู้การกำหนดรู้ทุกก็คือการมาขุดคุยพิจารณากายพิจารณาเวทนาแล้วก็พิจารณาย้อนมาที่จิตนี่แหละนี่คือการกำหนดดูทุกร่างกายให้เป็นตัวทุกขเป็นก้อนทุกเป็นกองทุกจิตเป็นตัวทุกเป็นก้อนทุกขเป็นกองทุก จิตที่ย่างจําำราไม่ได้เนี่ยเป็นตัวทุกข์เป็นกองทุกข์เป็นก้อนทุกข์ทุกคือกิเลสมันซึมซับอยู่ภายในจิตนั่นแหละนี่มันซึมกิเลสมันซึมซับอยู่ภายในจิตในเมื่อเรากําหนดกายก็คือกําหนดกําหนดทุกข์กายเป็นกองทุกข์ในเมื่อเรากำหนดจิตจิตคือกองทุกข์เสร็จแล้วเราก็ย้อนไปที่สมุดไทยสมุดไทยเกิดที่จิตตัณหาเกิดที่จิตจันหาเกิดจากจิตเนี่ยเราย้อนไปย้อนไปเพื่อให้เกิดให้ให้รู้ทันหาให้เข้าใจตัณหา เพราะตัณหามันพา ย, ยึดตัณหาเนี่ยแหละพาจิตยึดกายพายจิตยึดเวทนาเราก็ย้อนไปที่ย้อนไปที่สมุทยัยกำหนดดูทุกเราก็ย้อนไปที่สมุทัยนี่หลักของอริยศาสตร์ทั้งสี่เอาอะไรมาเอาอะไรมาดูก็เอามหัศลมาดูเอาสติมาดูเอาสัมผััญญะมาดูเพื่อให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจเนี่ยทีนี้เวลาเราจ ะ, ะเราละที่ไหนพอเราไปทราบสาเหตุต้นต่อคืออำนาของความอยากแล้วเนี่ย เราก็ไปดับที่ความอยากดับตัวตันหาที่จิตนั่นแหละมันเกิดที่จิตำกำหนดจดจอดดูมาที่จิตดูมาจำเพาะจิตภาวะความอยากคืออะไรเป็นอะไรยังไงดูให้รู้ให้เข้าใจว่าใจมันอย่างเป็นยังไงภาวะผู้รู้ไม่บริสุทธิ์แพลงมาในอำนาจของกิเลสทำให้เกิดความอยากเกิดทำให้เกิดตันหาตันหาแปลว่าความอยากมันชุม่มมันแปร่อ ย, อยู่ภายในหัวใจ กามาตันหาภวะตานหาวิภวะตันห า, ะะนหาอันนี้เป็นตัวเหตุเป็นตัวสมุทยัยสมุทัยคือเป็นเหตุให้ให้ทุกเกิดอะไรคือทุกกายนี่แหละคือทุกคือกองทุกใจนี่แหละคือทุกคือกองทุกถ้านให้กาหนดรู้กําหนดพิจรารณาในเมืๆๆ่อเรากําหนดรู้กําหนดพิจารณากําหนดละเรากําหนดรู้กําหนดพิจารณาไปแล้วเราเห็นเหตุเห็ น, หนปัจจัยเขามันทําให้เราหมดความสงสัยในเมื่อเราหมดความสงสัยก็ทําให้เราไม่คล่องไว เห็นว่ากายก็สัตว์แต่ว่าเป็นกายอย่างอย่างแท้จริงจากปัญญาพื้นพื้นพิจารณาไปจนเกิดปัญญายานพิจารณาไปจนเกิดวิปัสสนาญาณมีความเชื่อมั่นอย่างแท้จริงว่าโอกายศัตวะกายไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเขาพิจารณาละเอียดเข้าไปเรื่อยละเอียดเข้าไปด้ว่อยละเอียดไปถึงงานที่มีอยู่ภายในใจตามชั้นตามภูมิ ตั้งแต่ตา่ตาๆพื้นตา่ตาๆชำระเข้าไปเรื่อยๆจนถึงกิเลสที่ละเอียดสูงสุดตันหาอาวิชชาสามารถรู้เท่าทันความเป็นไปของจิตได้ทั้งหมดกิเลสทั้งหมดที่มีแฝงอยู่ภายในจิตก็สามารถเกิดความรูเกิดความเข้าใจเกิดยานาัทนะถึงที่สุดหลุดพ้นไปได้จากอำนาจของความลุ่มหลงทั้งหมดตั้งแต่หยาบ ปกลางจนละเอียดสูงสุดนี่คือข้อปฏิบัติคือทางดําเนินภายในใจของเราเราหมุนมาตรงนี้มาเข้ามาตรงหลักตรงนี้หลักใจของเราเพราะความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นเหตุให้เราเหลืออวดเหลือทนน่ยความทุกข์เป็นไปเนื่องกับกายความทุกข์เป็นไปเนื่องกับจิตเป็นเรื่องที่เราควรเข็ดควรหลาบเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติอันนี้ปฏิบัติเพื่อละ คลายความทุกข์ความยากความลำบากที่อยู่ภายในจิตของเราชรําระขัดเกลากจิตของเราให้มีความบริสุทธิ์บริสุทธิ์อย่างแท้จริงก็คือหลุดพ้นไปจากวัฏสงสาราหมดภพหมดชาติไม่ต้องหมุนไปในในหลักของสังสารวัฏไม่ต้องเ ป, เป็นไปตามหลักของวัฏจักรเพราะหลักของวัฏจักรเนี่ยอะไรมันมันมดเอาไว้กิเลส ม, มันมัดเอาไว้กิเลสมันเป็น เจ้ามันเป็นจอมของวัตจักรหมุนจิตของเราให้เป็นไปนตามอำนาจของอนิจจังทุกขังอนัตตาไปในวัตตะวนที่ท่านเรียกว่าวัตสงสารกิเลสกรรมว<ม>ิบากที่ท่านเรียกว่าวัตวนวัตวนวนอยู่อย่างนั้นแหละวัตะสงสารนีจ้านานเราทราบไม่ได้ว่าเราเกิดเบื้องต้นที่เราเกิดที่ไหนเมื่อไร่ท่ามกลางเราอยู่ตรงไหนแล้วเราจะไปสิ้นสุดตรงไหน ถ้าเราได้ข้อปฏิบัติที่พุทธิเจา้าท่านทรงแสดงแล้วเรามาตั้ง อ, อกตั้งใจปฏิบัติทมนี้ชำระขัดเกลารือฟื้นเขาไปเรื่อยจนถึงที่สุดหมดความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกายนี้หมดความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องจิตอันนี้สามารถจำแรกสารอกอุปาทานตันหาปปาทานภายในใจให้หมดไปให้สิ้นไปนี่เราสามารถถึงที่สุดพ้นทุก พ้เวรพ้นภัยในวัตสงสารได้นี่เป็นข้อปฏิบัติเพื่อความสุขเพื่อความเจริญเพื่อเราได้หลักใจเพราะฉะนั้นเราดูเบื้องต้นทำกลางและเราดูที่สุดที่เราจะต้องก้าวไปเราจะทําตัวยังไงไม่ใช่เราอยู่อย่างลอยๆวันคืนล่วงไปแล้วเราไม่ได้ประกอบสิ่งที่ทําให้เกิดประโยชน์คือตั้งใจปฏิบัติรักษาศีลตั้งใจปฏิบัติเจริญสมาธิและเจริญปัญญาเราก็อยู่ด้วยความล้มหลง เราหลงกับอะไรบ้างเราก็ดูไปสิวันๆเราหลงกับอะไรบ้างหลงเพลินไปกับอะไรบ้างเสร็จแล้วเวลาล่วงไปแล้วมันได้อะไรบ้างเพลินกับสิ่งนั้นเพลินกับสิ่งนี้และเลยจากนั้นไปแล้วเราได้อะไรบ้างถ้าหากเราออกนอกลู่นอกทางแล้วคำว่าอะไรบ้างอะไรบ้างนั้นมันเอาทุกมาให้เราแล้วละแต่ถ้าเราอยู่ในกรอบของศีลของธรรมเนี่ยคำว่าอะไรบ้างเราก็ได้อยู่ทาให้จิตของเราแนบแน่นขึ้นทาให้หลัก เกี่ยวกับเรื่องสินของเรานี่แนบแน่นเป็นแท่นทําให้เราได้ยืนเหยียบทํางานได้อย่างเต็มที่ทําให้จิตของเราสงบแนบแน่นเป็นตัวของตัวเองกิเลสแทรกเข้ามาไม่ได้เนื่องจากจิตมันเชื่องอยู่กับงานกับการที่เราจับมาทำเนี่ยนะไม่โดดดิ้นไปตามหน้าของกิเลสเพราะเรามีจิต ด, ดวงเดียวไม่ใช่มีจิตหลายดวงที่ไหนคือผู้รู้มีดวงเดียว แต่ไอ้ที่ผู้รู้จะไปรู้เนี่ยมีมากมายสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็คือกิริยาของจิตทั้งนั้นตามในอภิธรรมที่ท่านพูดเอาไว้มีทั้นั้นดวงท่านี้ดวงนั่นแหะคือกิริยาของจิตทั้งนั้นแหละกิริยาของจิตทั้นั้นอาการของมันสมมุติเราจะดับไฟเนี่ยถ้าเราไปดับที่เปลวถ้าเราไปดับที่ควันเนี่ยไฟก็ดับไม่ได้เรามาดับไอตรงที่ความร้อนมันกินกระเชื้อมันอะคือฟืนนั่นแหะ เอาน้ำสะอาดลงไปตอนนั้นดับหมดในเมื่อในเมื่อดับเปลวมันก็ดับควันมันก็ดับเปลวมก็ดับควันก็ดับเรามากำหนดจดจ่อมาที่นี่เราดับทีนท่นี่อหม้อที่นี่หม้อที่จิตตัว น, นี้กิริยาต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นก็สักเทว่าเป็นกิริยาเนื่องจากว่าเราดับสาเหตุต้นตอมันที่จิตแล้วสิ่งต่างๆทั้งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นก็ดับไปหมดสิน้นนี่กิเลสทั้งหลายทั้งปวงก็ดับไปหมดสิน้นอยู่กับผู้รู้ ผู้รู้ที่บริสุทธิ์ผู้รู้ที่บริสุทธิ์ที่ชำระได้เหมือนอย่างครูบาอาจารย์ท่านชำระได้พระริยเจ้าพระสาวกมหาสาวกท่านชำระขัดกล่าวได้คือจิตของท่านบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากสิ่งที่มีอำนาจทําให้ท่านต้องดีดดิ้นไปตามอํานาจของมันคือความอยากกามตัญหาภวะตัญหาวิภาวะตัญหาท่านยังมียังมีธาตุมีขันอยู่ธาตุขันมันก็เป็นไปตามเรื่องของมันร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย เป็นไข้เป็นหนาวเป็นหวัดเป็นอะไรต้องดูแลต้องรักษาแต่จิตท่านไม่ได้มาได้รับความทุกข์กับกายอันนี้เนื่องจากว่ามองเห็นกายเป็นอื่นไปแล้วอไม่มีอัตตาไม่มีตัวตนของตนเองอยู่ในนั้นมองเห็นว่ากายนี้เป็นก้อนธาตุมันจะอยู่ได้ยังไงท่านก็บำรุงท่านก็ซ่อมแซมดูแลประครับประคองรับผิดชอบไปพอได้อายุไขท่านก็ปล่อยทิ้งไปท่านไม่ได้รับกองทุกข์จากสิ่งที่เป็นกายนี้ นั่นองจากว่ามีสติมีสัมผััญญามีปัญญาอสอดส่องพิจารณาหรือคน้นคลุกผู้หลงเห็นแล้วว่ากายก็ศักดิ์สิทธิ์เป็นกายจิตของตั้งกับถอนไปถอนไปถอนไ ป, ถอนไปอยู่กับผู้รู้ไม่เกี่ยวข้องกับกิเลสกิเลสไปแทรกไม่ได้จำแรกหมดแล้วเป็นจิตดวงเดียวเป็นวิสังขารไม่มีสังขารอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องแต่ถ้ามีกิเลสตัวเดียวเข้าไปเกี่ยวข้องกับจิตดวงนั้นก็คือยังมีสังขารอยู่ สิ่งมีนยังมีสิ่งประกอบอยู่แต่ถ้ า, ามีอันเดียวโดดเดียวเนี่ยจะ ก, กลายเป็นสิ่งอื่นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านจรงว่าจิตของท่านในเที่ยงเที่ยงคือผู้รู้นะเที่ยงอั น, นิีจังทุกขรังอนัตตาไม่เกี่ยวข้องตราบใดที่ยังมีอันนีจังทุกคั้งอนัตตาเกี่ยวข้องก็คือจิตยังไม่บริสุทธิ์เต็มที่เมื่อบริสุทธิ์เต็มที่แล้วคือปอกออกจนถึงที่สุดแล้วอ น, นั้นเป็นปรามังสุ ข, ขงังสิ่งอื่นทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นมีขึ้น ก็เกิดขึ้นมีขึ้นตามภาวะของมันที่มันมีเหตุมันมีปัใจจัยให้ให้เกิดขึ้นอยู่มันก็มีไปมันก็เปลี่ยนไปเหมือนอย่างร่างกายต้องแก่แล้วก็ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายมันก็เป็นไปตามภาวะของมันแต่จิตของท่านเนี่ยไม่ได้มาได้รับกองทุกข์จากสิ่งต่างๆของกายอันนี้ที่มีอยู่เป็นอยู่นี้เนื่องจากว่าดูเห็นเป็นอื่นไปหมดแล้วนี่แหละคือที่ที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงซึ่งพวกเราทั้งหลายมี ความตั้งใจที่จะดำเนินเจริญตามร่องรอยที่ท่านเดินไปแล้วเพื่อจะได้ประสบพบเห็นจะได้มีความสุขในปัจจุบันถึงไม่สิ้นสุดพบชาติในอัตภาพนี้เราก็มีความสุขเป็นวิบากในโอกาส ต, ต, อต่อไปแต่ถ้าหากบุญบา ร, รมีด้วยความอุตสาห์พยายามตั้งอกตั้งใจขยันหมั่นเพียรประกอบเนืองเนืองภายในใจของเราให้ได้รับความละเอียดแนบแน่นรู้ละเอียดลึกซึ้งลอดละ อุปาทานได้มากได้น้อยเท่าไหร่ก็ตามความสามารถแห่งตนแห่งตนความสุขก็จะเป็นไปตามนั้นล้วนแต่เป็นเหตุทําให้เกิดปัญญาเท่านั้นเน่ยเราเดินมาตรงนี้เพราะฉะนั้นหลักใหญ่ของใจของเราก็คือศีลคือสมาธิคือปัญญาเราจะมองข้ามหลักของใจอันนี้พยายามจับอันนี้ไว้ให้แน่นย้ำกอดอันนี้ไว้ให้แน่นเสร็จแล้วเราจะได้ทางเดินอย่างราบรื่นสะดวกสบายในโอกาสต่อไป เดีวนะพอสมควรแล้ว